ไม่มีอะไรในโลกนี้ที่จะมีคุณค่ายิ่งกว่าความสงบของใจเพราะไม่มีอะไรที่จะสามารถให้ความสุขเท่ากับความสุขที่ได้จากความสงบของใจและไม่มีอะไรในโลกนี้ที่จะดับความทุกข์ของใจได้ นอกจากความสงบของใจนี้เองความสงบของใจจึงเป็นเป้าหมายของการปฏิบัติภารกิจทางพระพุทธศาสนาไม่ว่าจะเป็นการทำทานไม่ว่าจะเป็นการรักษาศีลไม่ว่าจะเป็นการภาวนา มีเป้าหมายอยู่ตรงที่จะส่งเสริมพัฒนาให้เกิดความสงบในใจมากขึ้นไปตามลำดับเพราะการทำทานก็ดีการรักการรักษาศีลก็ดีการภาวนาก็ดีจะไป ลดกําลังของเหตุที่ทําให้ใจไม่สงบนั่นเองเหตุที่ทําให้ใจไม่สงบก็คือความโลภความโกรธความหลงหรือตัณหาความอยากต่างๆเช่นกามตัณหาความอยากในกาม อยากในรูปเสียงกลิก่นรสโผฏฐัพพะภาวะตัณหาความอยากมีอยากเป็นวิภาวะตัณหาความอยากไม่มีอยากไม่เป็นความอยากเหล่านี้หรือความโลภความโกรธความหลงนี้เป็นเหตุที่ทำให้ใจไม่สงบนั่นเองการที่เรา มาทำทานมารักษาศีลมาภาวนามาฟังเทศน์ฟังธรรมก็เพื่อที่จะลดกำลังของความโลภความโกรธความหลงลดกำลังของกามตัณหาภาวตัณหาวิภวตัณหาให้น้อยลงไปและหมดไปในที่สุด เวลากิเลสตัณหาอ่อนกำลังลงไปความวุ่นวายใจความไม่สบายใจก็จะอ่อนกำลังลงไปความสบายอกสบายใจก็จะมีเพิ่มมากขึ้นไปตามลำดับของการอ่อนกำลังของกิเลสตัณหา ของความทุกข์ใจของความไม่สบายใจนี่คือเป้าหมายของคําสอนของพระพุทธเจ้ามีอยู่ที่การดับความทุกข์เป็นเป้าหมายหลักส่วนเป้าหมายรองหรือของที่อาจจะได้พ่วงมากับการดับความทุกข์ นั้นเป็นผลพลอยได้ไม่สำคัญอะไรได้ก็ดีไม่ได้ก็ดีไม่เป็นปัญหาอะไรก็สำคัญต้องการให้ใจสงบเพื่อระงับดับความทุกข์ใจเท่านั้นอะไรคือผลพลอยได้ที่จะเกิดจากการปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าเช่นการทำทาน การรักษาศีลการภาวนาก็คือพบชาติที่จะดีขึ้นไปตามลําดับคือพพชาติในระดับของเทพพพชาติในระดับของพรหมพบชาติในระดับของพ ร, พร ะ, องพะอริยบุคคลขั้นต่างๆจนไปถึงการสิ้นสุดของความทุกข์ทั้งหลาย การเข้าสู่ความสงบที่ถาวรเข้าสู่ความสุขที่ยิ่งใหญ่ที่เรียกว่าปมามังสุขขงังนี่คือเป้าหมายหรือผลต่างๆที่จะได้รับในการบำเพ็ญในการปฏิบัติตามพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าถ้าทำ ทานรักษาศีลก็จะได้ผลในระดับเทวโลกตายจากมนุษเสโลกก็จะได้ไปรับผลบุญที่เกิดจากการทำทานเกิดจากการรักษาศีลในชั้นเทวโลกถ้าบำเพ็ญสมถะภาวนาทำใจให้สงบได้ ก็จะได้รับผลในระดับพรหมโลกรู ป, ปรพรหมและอรู ป, ปรพรหมแต่ผลที่ได้รับในระดับทั้งสาม ท, สทั้งสองทั้งสส่วนนี้จะต้องเสื่อมหมดไปเพราะยังอยู่ภายใต้กฎของไตรลักษณ์อยู่ได้เป็นเทพเมื่อได้ใช้บุญ ของเทพหมดก็จะต้องเลื่อนลงมากลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่ถ้าได้ไปเกิดในระดับชั้นพรมเพราะบุญระดับชั้นพรมหมดไปก็จะเลื่อนลงมาสู่ระดับชั้นเทพแล้วก็จะเลื่อนลงมาสู่ระดับมนุษย์มาเกิดแก่เจ็บตายมาสร้างบุญสร้างบาปใหม่แต่ถ้าได้จเจริญ ถึงขั้นวิปัสนาภาวนาคือนอกจากทำทานแล้วรักษาศีลได้แล้วจเจริญสมถะภาวนาได้แล้วก็จเจริญวิปัสนาภาวนาต่อไปได้เริ่มเห็นไตรลักษณ์ในสิ่งต่างๆเห็นอริยสัจสี่ในสิ่งต่างๆขึ้นไปขั้นแรกก็จะได้ขั้นพระโสดาบัน ที่ได้เห็นตายรักในขันห้าคือเห็นอ น, นิจจังทุกขังในรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณอันนี้ก็จะทําให้ใจปล่อยวางรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณไม่หวงไม่ห่วงไม่เสียดายเช่นร่างกายไม่หวงไม่กลัวตาย พร้อมที่จะให้ร่างกายนี้ตายไปเพราะพิจารณาด้วยปัญญาแล้วว่าเป็นอนิจจังเกิดแก่เจ็บตายเป็นอนัตตาห้ามเขาไม่ได้เขาเป็นดินน้ำลมไปที่จะต้องมีการแยกสลายออกจากกันในที่สุดเป็นทุกข์ถ้าอยากจะให้เขาอยู่ไปนา น, าน อยากจะให้เขาเป็นตัวเราของเราไปตลอดอันนี้เป็นความเห็นของผู้ที่จะบรรลุโสดาบันโสดาปัติผลคือเห็นรูปว่าเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเห็นเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณว่าเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตา ไม่ยึดไม่ติดปล่อยวางเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเช่นเวลาเกิดทุกขเวทนาก็ปล่อยให้เกิดไปเวทนาจะตั้งอยู่หรือจะดับไปก็เป็นเรื่องของอนิจจงทุกขังอนัตตาไปถ้าไปอยากให้ทุกขเวทนาดับหายไปและยังไม่หายก็จะเกิด ทุกข์ขึ้นมาในใจทุกข์ในอริยสัจสี่คือทุกขังในตายรักอันนี้จังทุกข์ังอนัตตาทุกข์ขังในตายรักกับทุกข์กเวทนานี้เป็นคนละตัวกันทุกข์เวทนานี้เป็นเวทนาทางร่างกายหรือความเจ็บของร่างกายทุกขขังนี้เกิดจากตัณหาความอยาก ให้ทุกขเวทนาทางร่างกายหายไปถ้าเห็นด้วยปัญญาว่าไม่สามารถที่จะไปสั่งให้ทุกขเวทนาหายไปได้ก็หยุดความอยากให้ทุกขเวทนาหายไปยอมอยู่กับความทุกขยอมอยู่กับทุกขเวทนา ทุกครั้งในอริยสัจสี่ก็จะไม่เกิดขึ้นทุกทางใจก็จะไม่เกิดทุกทางใจนี้ใหญ่โตกว่าทุกขาเวทนาทางร่างกายหลายร้อยเท่าเลยกันพอความทุกทางใจไม่เกิดทุกขาเวทนาทางร่างกายก็เป็นเรื่องเล็กน้อยไป ทุกข์ที่ใหญ่โตไ ม, ไม่ใช่ทุกข์ที่ร่างกายไม่ใช่ทุกข์ขวเวทนาทุกข์ที่ใหญ่โตคือทุกข์ในอริยศาสีที่เกิดจากภาวะตัณหาวิภาวะตัณหาอยากให้เวทนาหายไปอยากไม่อยู่กับเวทนาเช่นเวลานั่งก็อยากจะลุกเวลาเจ็บนี่คือเรียกว่าทุกขขังที่เกิดจากความอยาก อยากจะลุกอยากจะเปลี่ยนเอเรยาบทอยากจะให้ทุกขเวทนาหายไปผู้ที่เห็นด้วยปัญญาก็จะไม่ทุกขกับทุกขเวทนาก็จะอยู่กับทุกขเวทนาไปเจ็บก็รู้ว่าเจ็บสักแว่ารู้เราจะไม่เกิดทุกขในอริยสัจสี่ จะไม่เกิดทุกขั้งในอันนี้จังทุกขังอนัตตาอันนี้ก็จะทําให้บรรลุทําขั้นโสดาบันได้ผลพอยได้จากการบรรลุเป็นพระโสดาบันก็คือจะกลับมาเกิดอีกไม่เกินเจ็ดชาติเป็นอย่างมากส่วนทำขั้นต่อไปที่จะก้าวขึ้น วิปัสสนาภาวนาที่จะต้องบำเพ็ญขั้นต่อไปก็เรียกว่าอาสุภภ า, าวนาอาสุภกรรมฐานคือการพิจารณาดูส่วนที่ไม่สวยงามของร่างกายเพื่อจะได้ดับกามราคามาตัญหาละความอยากทางกามอารมณ์เวลามีกามอารมณ์มีความอยาก ก็จะเกิดความทุกข์กวนกวายหงุดหงิดลำคาญใจขึ้นมาภายในใจพอพิจารณาร่างกายเห็นในส่วนที่ไม่น่าดูไม่สวยงามก็จะทำให้การมารมนั้นดับไปถ้าทำให้ดับไปได้บางส่วนคือเบาบางลงไปจากการที่ไม่เคย หยุดมันเลยไม่เคยดับมันเลยมาได้ในการดับเป็นบางครั้งบางเวลาทำให้การอารมณ์เบาบางลงไปแต่ยังไม่หมดไปก็จะได้บรรลุขั้นที่สองที่เรียกว่าขั้นสกิดาคามีคือเป็นผู้ที่ทำให้การอารมณ์นี้เบาบางลงไปก็จะได้รับผลพลอยได้จากการบรรลุ อริยผลขั้นนี้คือจะเหลือภพชาติไม่เกินหนึ่งชาติเป็นอย่างมากจะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกเพียงครั้งเดียวถ้าชาตินี้ยังไม่สามารถข้ามกามอารมณ์ไปได้ละกามัตหาไปได้ถ้าสามารถจเจริณาสิภะกามฐานได้อย่างต่อเนื่อง จนสามารถระงับดับการอารมณ์ที่ปรากฏขึ้นทุกครั้งได้ก็จะได้บรรลุอริยผลขั้นที่สามคือขั้นพระอนาคามีก็จะได้ไม่ต้องกลับมาเกิดในการมาพบอีกต่อไปคือไม่ต้องกลับมาเกิดในพบของมนุษย์หรือของเทวดา ก็จะไปเกิดอยู่ในภพของพรหมแต่พรหมนี้จะต่างกับพรหมที่ได้จากการเจริญสมถะภาวนาเพียงอย่างเดียวผู้ที่เจริญสมถะภาวนาจนได้สมาธิก็ได้ก็จะได้ภพของพรหมแต่เป็นพรหมชั่วข่าวคือถ้ากำลังสมาธิมีอยู่ ก็จะเป็นพรมพอกำลังของสมาธิอ่อนลงไปก็จะกลายเป็นเทพเพราะเวลาออกจากสมาธิมาก็จะเกิดการอารมณ์ขึ้นมาแต่ผู้ที่ได้บรรลุอนาคามีนี้จะไม่มีการอารมณ์หลงเหลืออยู่เพราะว่าได้ถูกกาจัดโดยปัญญาคืออสุภะกรรมฐาน ถ้าอนาคามีจึงไม่มีวันเสื่อมลงจากชั้นพรมลงมาเพราะว่าจะไม่มีการอารมณ์ปรากฏขึ้นมาภายในใจอีกต่อไปไม่ว่าจะอยู่ในสมาธิหรือออกมาจากสมาธิเพราะว่าขณะออกมาจากสมาธิก็มีปัญญาคอยสกัดการอารมณ์อยู่ตลอดเวลาคืออสุภกรมมฐานนี่เอง นี่คือความแตกต่างของพรมของผู้ที่ได้เจริญแต่ ส, สมุท t มถภาวนาเช่นอาจารย์ของพระพุทธเจ้าสองพระองค์ก็ได้ฌานขั้นรูปฌานและอรูปฌานเวลาท่านตายไปท่านก็จะไปเกิดเป็นรูปประผมอรูปประพม แต่เมื่อกําลังของฌานนั้นเสื่อมลงไปท่านก็จะเลื่อนลงมาเกิดเป็นเทวดและเลื่อนลงมากลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่แต่ของพระอนาคามีนี้ไม่เลื่อนลงมาเพราะว่ามีอสุภะกรรมฐานคอยกันเอาไว้เหมือนตาข่ายเช่นเวลาที่เขาเล่นกายกรรมกหน ถ้ามีตาข่ายกางไว้ถ้าหากผู้เล่นกายกรรมเกิดตกลงมาก็จะไม่ตกลงมากระแทกกับพื้นเพราะจะมีตาข่ายกั้นเอาไว้รองรับเอาไว้ฉันใดผู้ที่ได้อริยะผลที่เกิดจากการเจริญปัญญาก็จะไม่เสื่อมลงมาจากระดับที่ได้ไปแล้ว ถ้าได้เป็นโสดาบันแล้วก็จะไม่เสื่อมลงมาเป็นปุถุชนถ้าได้เป็นสกิดาคามีแล้วก็จะไม่เสื่อมลงมาเป็นโสดาบันถ้าได้เป็นอนาคามีแล้วก็จะไม่เสื่อมลงมาเป็นสกิดาคามีถ้าได้ขั้นอาราหันต์แล้วก็จะไม่เสื่อมลงมาเป็นอนาคามีเพราะว่ามีปัญญาเป็นตาข่าย กั้นไว้ในแต่ละขั้นขั้นโสดาบันก็มีตาข่ายกั้นเอาไว้มีดวงตาเห็นธรรมเห็นอริยสัจสี่เห็นตายรักษณ์ในขันห้าก็จะไม่มีวันที่จะมาทําอะไรเหมือนกับคนที่ยังไม่เห็นอริยสัจสี่เห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาในขันห้าเช่นคนที่ยังงมงายอยู่กับการสจดาะเคราะทําบุญเออ ทำพิธีกรรมต่างๆเพื่อที่จะดับความทุกข์ความไม่สบายใจเพราะไม่รู้ว่าความทุกข์ความไม่สบายใจของตนนั้นเกิดจากความอยากของตนที่อยากไม่ให้ชีวิตของตนตกต่ําไม่ต้องการให้ชีวิตของตนมีความทุกข์มีความวุ่นวายใจแต่ไม่รู้สาเหตุของต้นเหตุของความทุกข์ของความวุ่นวายใจว่าเกิดจาก ปันหาของตนมันเองปัญหาที่ไม่อยากจะให้สิ่งที่จะต้องเสื่อมเสริมคือไม่เห็นอนิจจงความตัญหาที่เกิดจากการที่อยากจะไปจัดการกับสิ่งต่างๆที่ไม่ได้อยู่ภายใต้อำนาจของตนที่จะจัดการได้ไม่เห็นอนัตตาแล้วก็ไม่เห็นทุกขังที่เกิดขึ้นจากความอยากของตน นี่คือเรื่องของปุถุชนเป็นอย่างนี้แต่เรื่องของพระโสดาบันนี้ท่านเห็นชัดแล้วว่าปัญหาของท่านความทุกข์ของท่านความไม่สบายใจของท่านอยู่ที่ความอยากของท่านเองอยากให้สิ่งที่เป็นอนิจจงให้มันไม่เป็นอนิจจงอยากจัดการกับสิ่งที่เป็นอนัตตาให้เป็นอัตตาให้ได้ อยากจะได้ตามใจยอยากของตนท่านเห็นว่าอยากแล้วก็จะต้องเกิดความทุกข์ขึ้นมาท่านก็หยุดความอยากเห็นแล้วว่าสิ่งที่เป็นอนิจจังก็ต้องเป็นอนิจจังไปห้ามเขาไม่ได้เจริญแล้วก็ต้องเสื่อมไปเป็นธรรมดาไปหยุดเขาไม่ได้เขาเป็นอนัตตาไปสั่งเขาไม่ได้เขาไม่ได้อยู่ภายใต้คําสั่งของเรานี่คือปัญญาของพระโสดาบัย เด็กทำให้ท่านไม่มีวันที่จะกลับมาเป็นปุตชนได้อีกต่อไปปุทุชนที่ต้องการที่จะเป็นโสดาบันก็ต้องพิจารณาอนิจจังทุกขังอนัตตาในขันหะให้ให้เห็นและปล่อยวางขันหาได้ยอมรับกับความเสื่อมของชีวิตชีวิตจะเจะเรนุ่งเรืองหรืยจะเสื่อมลงมาก็ยอมรับว่ามันเป็นเรื่องของเหตุของปัจจัย เป็นเรื่องธรรมดาของชีวิตมีเกิดก็ต้องมีดับมีเจริญก็ต้องมีเสื่อมมีสุขก็ต้องมีทุกข์สลับกันไปแต่จะไม่ไปวุ่นวายจะไม่ไปแก้ไขมันสุขก็อยู่กับมันไปทุกข์ก็อยู่กับมันไปได้อะไรมาก็ได้ก็ได้ไปเสียอะไรก็เสียไปไม่เดือดร้อนกับการได้มาด้วยการเสียไป ไม่เดือดร้อยกับการเจริญเรื่องการเสื่อมของสิ่งต่างๆที่ตนเองมีไว้เป็นของครอบครองเอาไว้เช่นร่างกายหรือความรู้สึกเวทนานเวทนาจะสุขหรือจะทุกข์หรือจะไม่สุขไม่ทุกข์ก็เป็นเรื่องของเวทนาเขาไปนี่คือปัญญาของระดับโสดาบัน ปัญญาระดับของสกิดาคามีก็เวลาเห็นเวลาเห็นของสวยๆงามๆเห็นคนสวยๆงามๆพอจะเกิดอารมณ์ก็นึกถึงอสุภะขึ้นมาก็ทำให้ความอยากนั้นหายไปบางเวลาเผลอไม่ทันก็ต้องแพ้ไปต้องไปเสพการไปอันนี้เรียกว่าสกิดาคามี ยังไม่สามารถดับการามการอารมณ์ได้อย่างถาวรได้อย่างเต็มที่ทำให้เบาบางลงไปได้หยุดได้บางครั้งบางเวลาแต่บางครั้งบางเวลาก็ไม่มีกำลังสู้แต่ถ้าเป็นอนาคามีก็หยุดการอารมณ์ได้ตลอดเวลาพราะมีอสุภะอยู่ในใจตลอดเวลาเห็นอยู่ตลอดเวลา ผู้ที่ต้องการที่จะดับการมาลมได้อย่างตลอดเวลาจึงจำเป็นจะต้องมีอสุภะอยู่ในใจตลอดเวลาเห็นอสุภะอยู่ตลอดเวลาเห็นร่างกายของใครก็จะเห็นอสุภะทันทีส่วนพระอาหารหันต์ผู้ที่บรรลุพระอาหารหันต์ก็คือผู้ที่เห็นอัตตาตัวตนที่เป็นของปอรม ที่จิตปรุงแต่งขึ้นมาภายในใจว่าความจริงแล้วไม่มีตัวไม่มีตนมีแต่ตัวรู้แต่ตัวตนไม่มีจิตเป็นตัวรู้จิตไม่ใช่เป็นตัวตนจิตเพียงแต่สักแต่ว่ารู้ไม่ยุ่งเกี่ยวกับอะไรทั้งนั้นปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างได้หมดรับรู้แล้วก็ปล่อยวางโลกจะเจริญหรือโลกจะเสื่อมก็เป็นเรื่องของโลกไป ไม่ใช่เรื่องของจิตที่จะไปวุ่นวายกับโลกเป็นคนละเรื่องกันจิตก็อยู่ส่วนจิตโลกก็อยู่ส่วนโลกโลกก็คือทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่ภายนอกของจิตนี่ไม่ว่าจะเป็นสัตว์เป็นบุคคลเป็นเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นจิตก็จะเพียงแต่สักแต่รู้เฉยๆรับรู้เฉยๆแล้วก็ปล่อยว่าไม่หลงกับสมมุติต่างๆ เช่นว่าเป็นสามีเป็นภรรยาเป็นบิดาเป็นมารดาเป็นบุตรเป็นธิดาเป็นประเทศของเราเป็นดินแดนของเราจะไม่ไปทําสงครามจะไม่ไปขับไล่าสายสง่งใครทั้งนั้นใครอยากจะทําอะไรก็ทําไปไม่มีใครเอาอะไรไปได้เอาได้แต่ความทุกข์ยิ่งอยากได้มากยิ่งมีก ัหามากเท่าไหร่ก็ยิ่งจะมีความทุกข์มากเท่านั้นไม่ต้องไปยุ่งให้เสียเวลาไม่มีใครเอาอะไรไปได้โลกนี้ไม่ได้เป็นของของใครประเทศนี้ไม่ได้เป็นของของใครทั้งนั้นเป็นของอนิจจังทุกขังอนัตตาโลกนี้สักวันหนึ่งก็ต้องมีการเสื่อมมีการหมดไปเช่นเดียวกัน นี่คือความรู้ของพระอาหารหันต์ท่านจึงไม่หวั่นไหวไม่สะทกสะท้านกับเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นท่านเพียงแต่เป็นผู้สัมผัสรับรู้เท่า น, นั้นเองไม่ได้เป็นตัวตนไม่มีตัวตนภายในจิตของท่านท่านเห็นด้วยปัญญาว่าเป็นอวิชชาผู้ที่ผลิตความเห็นอันนี้ขึ้นมาปลิท ความรู้สึกว่าตัวตนมีตัวมีตนขึ้นมาภายในใจนี่คือการปฏิบัติทางพระพุทธศาสนาปฏิบัติเพื่อดับความทุกข์ทั้งหลายที่เกิดจากความหลงนี่เองเกิดจากความหลงที่ไม่เห็นไตรลักษณ์ไม่เห็น น, นิจจังทุกขังอนัตตาไม่เห็นอสุภะไม่เห็นสมมุติหลงไปติดกับสมมุติว่า เป็นของจริงของแท้เล่นความจริงเป็นเพียงละครฉากหนึ่งหรือละครเรื่องหนึ่งเท่านั้นเองเรื่องนี้เป็นเหมือนโรงละครจิตก็มาเล่นเป็นตัวละครเล่นกันไปแล้วก็หลงกับบทละครไปเอาจริงเอาจังเอาเป็นเอาตายกับบทละครที่ตนเองเล่นแล้วก็ต้องทุกไปกับการเล่นละครของตน ไปกับความหลงของตนไม่เคยมองเลยว่าเป็นเพียงละครพอละครจบแล้วตัวเล่นละครก็ย้ายลงไปเล่นลงลงใหม่ต่อชัยชนะที่ได้หรือความแพ้ที่เกิดที่ได้รับก็ไม่เป็นของแท้ของจริงเลยเป็นเพียงการเล่นละครเท่านั้นเองคนชนะก็ต้องออกจากลงไปคนแพ้ก็ออกจากลงไป เหมือนกันไม่ได้เอาอะไรติดตัวไปด้วยกันทั้งสองฝ่ายเอาไปแต่ความทุกข์ความอยากจะชนะคนแพ้ก็อยากจะแก้แค้นอยากจะชนะใหม่คนชนะแล้วก็อยากจะชนะต่อไปก็ไปเล่นกันในในโรงละครลงต่อไปลาจากโลกนี้ก็ไปเกิดในโลกใหม่แล้วก็ไปเล่นละครในโลกใหม่กันต่อ ไปแก่งแย่งชิงดีกันไปฆ่าฟันกันไปมีเรื่องมีราวกันต่อทำมาอย่างนี้ทุกพบทุกชาติเพราะความหลงที่ไม่เห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาไม่เห็นว่าโลกที่อยู่นี่เป็นเพียงโรงละครทุกสิ่งทุกอย่างเป็นสมมุติไม่ใช่เป็นสมบัติที่แท้จริงของตน พ่อแม่ก็ไม่ใช่เป็นพ่อแม่ที่แท้จริงสามีภรรยาก็ไม่ใช่เป็นสามีภรรยาที่แท้จริง บ, บุตรธิดาก็ไม่ใช่เป็นบุตรธิดาที Scripture ่แท้จริงทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองก็ไม่ได้เป็นทรัพย์สมบัติของตนที่แท้จริงเป็นของโรงละครเวลาเลิกเล่นละครก็ไม่ได้เอาไปกลับบ้านของทุกอย่างที่ใช้ในโรงละครก็เป็นของโรงละครไป ตัวละครก็แต่งตัวออกจากบ้านมาถึงโรงละครแล้วก็สวมบทละครที่เขาให้เล่นแต่พอละครเลิกก็กลับบ้านบทเสออื้อผ้าเข้าของต่างๆที่เล่นในโรงละครก็คืนโรงละครเขาไปไม่ได้เอาติดตัวไปกลับไปบ้านของตนแล้วก็กลับมาเล่นใหม่อันนี้ก็คือเรื่องของจิต ที่เปลี่ยนพบเปลี่ยนชาติมาเกิดในแต่ละพบแต่ละชาติก็ได้เล่นบทแต่ละบทตามบุญตามบาปที่ตนเองได้ทำมาได้เขียนมาทำบุญมาก็จะได้เล่นบทที่ดีสบายบทสบายทำบาปมาก็ต้องมาเล่นบทที่ยากลำบากก็จะเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆจราบใด ถ้ายังไม่เห็นว่าเป็นเพียงโรงละครยังไม่เห็นว่าเป็นของสมมุติไม่ใช่เป็นของที่แท้จริงก็ต้องรอให้ได้เจอกับพระพุทธศาสนาเจอกับพระพุทธเจ้าเจอกับพระธรรมคำสอนถึงจะทำให้ได้เห็นว่าโลกนี้เป็นโลกเป็นเหมือนโรงละครไม่มีอะไรที่เป็นแก่นสารที่แท้จริง ได้อะไรมาเท่าไรก็ต้องหมดไปไม่ว่าจะเป็นลาบเป็นยศเป็นสรรเสริญเป็นความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายได้มาแล้วเดี๋ยวก็ต้องหมดไปทุกคนในที่สุดก็ต้องออกเดินทางต่อไปแต่ว่าโลกนี้เป็นสถานีเปลี่ยนรถก็ได้ เราเดินทางมาลงที่นี่แล้วเราก็รอรถโดยสารอีกคันหนึ่งที่จะมารอรับเราไประหว่างที่รอเราก็เล่นนู่นทำนู่นทำนี่หานู่นหานี่กันไปละค่าเวลาไปพอถึงเวลารถขบวนของเรามาเราก็ขึ้นไปของต่างๆคนต่างๆที่เราได้พบได้รู้จักบนโลกบนสถานีนี้ก็ เป็นอันหมดไปจากกันไปแล้วเดี๋ยวก็ไปลงสถานีต่อไปก็ไปเจอคนใหม่ไปรู้จักคนใหม่ไปได้สิ่งใหม่แล้วพอถึงเวลารถออกก็ขึ้นรถไป อ, อันนี้เป็นชีวิตของของดวงจิตของสัตว์โลกที่ไม่มีดวงตาเห็นธรรมไม่เห็นอ น, นิจจ์ทุกขังอนัตตาไม่เห็นอริยรรสัจสี่ แต่ถ้าผู้ใดได้เห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาได้เห็นอริยสัจสี่ก็จะรู้ว่าเป็นการเล่นละครก็จะหยุดเล่นแล้วก็ไม่เล่นกลับไปบ้านอยู่ที่บ้านดีกว่าอยู่ที่บ้านแสนจะสบายไม่ต้องทำอะไรที่อยู่ที่บ้านกันไม่ได้เพราะว่าความอยากออกข้างนอกบ้านมัน คอยผลักดันออกมาให้ออกมาความอยากทำให้จิตออกจากความสงบไม่อยู่ในความสงบถ้าไม่มีความอยากจิตมันก็จะกลับเข้าสู่ความสงบเพราะนั่นเป็นที่อยู่ของจิตจิตไม่อยู่ที่อยู่ของตนก็เพราะถูกอวิชชาตันหาดันออกมาหลอกให้จิตคิดว่าความสุขอยู่ภายนอก ความสุขอยู่ที่ราบยศตรรเสริญอยู่ที่รูปเสียงกลิ่นรสปศพะอยู่ที่บุคคล น, นั้นบุคคล น, นี้แต่พอได้มาเสพได้สัมผัสก็เกิดความผูกพันโดยความยึดมั่นถือมั่นโดยความหวงแหนแล้วก็เกิดความทุกข์ใจเวลาที่ต้องสูญเสียสิ่งที่ตนรักที่ตนชอบที่ตนหวง พอไม่รู้ว่าสิ่งที่ได้มาจะต้องจากตนไปในที่สุดนั่นเองไม่เห็นอันิจังไม่เห็นทุกขังที่เกิดจากการอยากไม่ให้จากไปไม่เห็นอนัตตาคือไม่สามารถไปห้ามสิ่งต่างๆที่จะจากไปได้ถึงเวลาเขาก็ต้องไปนี่จึงทำให้ต้องออกมาจากความสงบออกมาลุยกับความทุกข์ในแต่ละภพแต่ละชาติ ตนก่าจะได้พบกับพระพุทธเจ้าที่ได้คงค้นพบความจริงว่าความสุขนั้นอยู่ในใจเราอยู่แล้วให้หยุดความอยากเท่านั้นเองอยากไปออกลิ้นไปหาอะไรทั้งหลายในโลกนี้มันไม่ใช่เป็นความสุขมันเป็นความทุกข์มันทำให้ใจทุกข์มันไม่ได้ทำให้ใจสุขอยากจะให้ใจสุขต้องหยุดตันหาทั้งสามนี้หยุดกามตันหาหยุดภาวะตันหา หยุดวิภาวะตัณหาด้วยการทำทานด้วยการรักษาศีลด้วยการภาวนาสามตถะภาวนาทําใจให้สงบก่อนเมื่อใจมีความสงบแล้วเวลาออกจากความสงบก็ให้เจลอญวิปัสสนาภาวนาต่อให้พิจารณาตายลัในทุกสิ่งทุกอย่างที่ใจมาสัมผัสรับรู้พิจารณาให้เห็นว่าเป็นเหมือนเงา เป็นเหมือนฟองน้ำเดี๋ยวมันก็แตกอะไรจะเป็นอะไรมันดีขนาดไหนมันไม่มีอะไรที่จะอยู่อย่างถาวรได้ไม่ว่าจะเป็นรถเป็นบ้านเป็นข้าวของต่างๆไม่ว่าจะเป็นบุคคลต่างๆเดี๋ยวก็ต้องแตกกันไปหมดเป็นฟองน้ำเพียงแต่ว่าอาจจะใช้เวลานานกว่าฟองน้ำ แต่มันก็เหมือนกันมันก็แตกเหมือนกันมันก็สลายหายไปเหมือนกันฟองน้ำมันก็หายไปฟองน้ำนี่มันหายเร็วเราเห็นได้อย่างรวดเร็วมันเป็นปนฟองอยู่แป๊บเดียวเดี๋ยวมันก็หายแล้วเวลาซักผ้าดูเห็นฟองน้ำเยอะแยะไปหมดเดี๋ยวแป๊บเดียวมันก็แตกไปหมดแต่ฟองน้ำของร่างกายนี้มันแตกช้าหน่อยกว่าจะแตกก็เจ็ดสิบแปบดบสิบ แต่บางร่างกายก็แตกเร็ววันสองวันแตกก็มีเด็กบางคนเกิดมาได้ไม่กี่วันตายไปก็มีมันก็เป็นฟองน้ำทั้งนั้นมองไม่เห็นว่าเป็นฟองน้ำเป็นมองเห็นว่าเป็นสัตว์เป็นบุคคลเป็นลูกเราเป็นสามีเราเป็นภรรยาเราเป็นพ่อเป็นแม่เราเป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นน้องเราพอเขาแตกก็ร้องห่มร้องไห้ เศร้าเสียใจแต่ก็ไม่ไปสามารถทําให้เขาหวนกลับคืนมาได้อยู่ดีแล้วพอพอหายเศร้าหายโศกก็ไปหาฟองน้ําำใหม่ๆมาเล่นต่อมาครอบครองใหม่ก็ทุกใหม่เวลาแตกใหม่เพราะไม่จําไม่ได้ไม่เคยเห็นว่าเป็นฟองน้ํามองกลับมองเห็นว่าเป็นบุคคลเป็นสิ่งที่มีกัณสารเป็นสิ่งที่จะอยู่กับเราไปตลอด ร่างกายของเราก็แบบเดียวกันมันก็เป็นฟองน้ําเดี๋ยวมันก็แตกแตกแล้วเดี๋ยวก็ไปหาร่างกายใ ห, ใหม่มาเล่นใหม่ต่อมาแตกใหม่มาแบกใหม่มาทุกข์ใหม่ท่านพิจารณาอนิจจังทุกขังอนัตตา อ, อยู่เรื่อยๆต่อไปมันก็จะเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างนี้เป็นเหมือนฟองน้ําในที่สุดมันก็ต้องแตกมันก็ต้องดับไป พอเห็นว่าเป็นฟองน้าก็จะได้เลิกไปให้ความสำคัญกับมันมันจะอยู่ก็อยู่ไปอยู่ก็รู้ว่าสักวันนึงมันก็ต้องแตกมันจะแตกช้าแตกเร็วแตกก่อนเราือแตกก่อนของเราหรือแตกก่อนแตกหลังของเรามันก็แตกเหมือนกันเช่นร่างกายของเราจะตายก่อนเขาหรือเขาจะตายก่อนเราผลมันก็เท่ากันก็คือตายเหมือนกันนี่คือ การพิจารณาเวลาที่ได้ออกจากสมาธิมาแล้วออกจากความสงบแล้วแต่ขณะที่อยู่ในความสงบนี้ไม่ใช่เวลาพิจารณาเวลาจะอยู่ในความสงบต้องการให้ใจพักผ่อนเพื่อจะได้มีกำลังออกมาพิจารณาอนิจจังทุกขังอนัตตาเวลาเห็นอะไรก็พิจารณาไปเลยว่าเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตา เวลาได้ยินอะไรก็พิจารณาไปเลยว่าเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาวลาเห็นอะไรที่ชอบก็ต้องพิจารณาเลยว่าเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาที่ไม่ชอบก็อนิจจังทุกขังอนัตตาเพื่อที่ใจจะได้ไม่ไปยุ่งกับมันปล่อยมันไปตามเรื่องของมันมันก็จะได้ไม่มีความอยากได้อะไรเมื่อไม่อยากได้ไหลายใจก็จะกลับเข้าสู่ความสงบ เพราะความอยากเป็นตัวที่เดินใจออกจากความสงบนั่นเองพอตัดตัวที่ดึงออกใจออกจากความสงบใจมันก็อยู่ในความสงบต่อไปได้นี่คือเรื่องของวิปัสสนาหน้าที่ของวิปัสสนาสมถะภาวนาเพียงแต่ดันใจให้กลับเข้าไปสู่ในความสงบแต่เวลาไม่มีกําลังหรือหมดกําลังของสมถะ ใจก็จะออกมาข้างนอกพอออกมาข้างนอกก็ต้องใช้ปัญญาใช้วิปัสสนาคอยสกัดตัวตันหาที่จะดึงใจให้ออกจากความสงกพอสกัดด้วยทำลายตัวตันหาความอยากได้ใจก็จะกลับเข้าสู่ความสงกต่อไปถ้าไม่มีตันหาดันออกมาก็จะอยู่ในความสงกไปตลอดที่เรียกว่านิบบานัง พลังมังสวิรัีิคือผลที่เกิดจากการเจริญวิปัสสนาและสมถะภาวนาผลที่เกิดจากการรักษาศีลผลที่เกิดจากการทำทานก็จะค่อยๆทำลายตัณหาไปทีละเล็กทีละน้อยทีละตัวสองตัวจนทำลายตัณหาให้หมดไป ไม่มีหลงเหลืออยู่ภายในใจใจก็จะกลายเป็นบริสุทธิ์ขึ้นมาใจที่สะอาดบริสุทธิ์เป็นปรมังสุขคังเป็นปรมังศูนย์อย่างศูนย์จากความอยากต่างๆนี่เองนี่คือเป้าหมายของพระพุทธศาสนาของการปฏิบัติภารกิจทางพระพุทธศาสนา คือการทําทานการรักษาศีลการภาวนาเป้าหมายหลักก็คือต้องการทําลายความอยากต่างๆให้หมดไปเพื่อจะได้ให้ใจตั้งอยู่ในความสงบเพื่อที่จะได้ดับความทุกข์ทั้งหลายที่เกิดขึ้นาภายในใจที่เกิดจากความไม่สงบของใจนี้เองส่วนเป้าส่วนผลพลอยได้นั้น ก็เป็นผลที่ไม่ควรจะให้ความสำคัญอะไรเช่นการล่ําได้มีความล่ารวยจากการทำทานรักษาศีลได้กลับมาเกิดเป็นเศรษฐีได้กลับมาเกิดมีรูปร่างหน้าตาสวยงามก็ขอให้รู้ว่ามันก็เป็นอนิจจังทุกขงังอนัตตาอีกเหมือนกันเพราะมันไม่เที่ยงอย่าไปทำเพื่อผลเหล่านี้ ถ้าทำเพื่อผลเหล่านี้ก็แสดงว่าหลงทางไม่ได้ทำเพื่อการตัดตันหาความอยากแต่กลับทำเพื่อส่งเสริมตันหาความอยากที่จะได้กลับมาล่ำมารวยกลับมาเกิดมีรูปร่างหน้าตาที่ดีที่งามกว่าเดิมมีความล่ำรวยกว่าเดิมเพราะว่าการกลับมาเกิดก็ต้องกลับมาแก่มาเจ็บมาตายอีกเช่นเดียวกัน ไม่ว่าจะรวยขนาดไหนไม่ว่าจะรูปร่างหน้าตาสวยงามขนาดไหนในที่สุดมันต้องแก่เจ็บตายไปเหมือนกันเทมานั้นนี่ไม่ได้เป็นเป้าหมายที่แท้จริงแต่เป็นผลพลอยได้ที่จะเกิดขึ้นในขณนะที่บำเพ็ญถ้ายัางไม่สามารถที่จะบรรลุถึงขั้นสูงสุดได้ภายในภพนี้ชาตินี้ตายไปก็อาจจะได้ไปเป็นเทพ อยากเท่ก็จะได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ที่มีบุญมีวาสนาขอให้เราเข้าใจหลักนี้เพื่อเราจะได้ไม่หลงทางเพื่อเราจะได้ไม่ปฏิบัติเพื่อให้เกิดความอยากได้สิ่งนั้นสิ่งนี้ปฏิบัติเพื่อตัดความอยากทั้งหมดถ้าเราพิจารณาเจริญปัญญาถ้าเราจเจริญวิปัสสนาภาวนา เราก็ต้องเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาแล้วเราจะได้ไม่มีความอยากได้สิ่งนั้นสิ่งนี้ถ้าเราไม่พิจารณ า, า, าก็จะหลงได้หลงอยากได้ความร่ำรวยหลงอยากที่จะได้พบชาติที่ดีในพบต่อๆไปข้างหน้าแต่ก็ไม่เพราะไม่เห็นว่ามันเป็นอนิจจังนั่นเองถ้าเห็นแล้วก็ไม่อยากได้ ได้มาแล้วมันก็ต้องเสื่อมหมดไปสู้เอาสิ่งที่ไม่เสื่อมดีกว่าสิ่งที่ไม่เสื่อมก็คือมรรคสี่ผลสี่ น, 4, นิพพานหนึ่งนี่ก็ต้องพิจารณารับตัดความอยากทั้งหมดให้หมดไปจากใจให้ได้เท่านั้นถึงจะได้มรรคสี่ผลสี่ น, 4, นิพพานหนึ่งเป็นรางวัลจึงขอให้ท่านจงได้เอ า, เอา สิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังในวันนี้ไปพิจารณาไปค่ายควรไปเตือนสติสอนใจให้บำเพ็ญเพื่อให้หดพ้นจากอำนาจของความอยากให้บำเพ็ญเพื่อตัดความอยากทั้งหลายให้หมดไปจากใจเพื่อที่จะได้มีแต่ความสุขมีแต่ความสงบไปตลอดไม่มีวันสิ้นสุดการแสดงก็เห็นว่าสมควรแก่เวลา จึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขออนุโมทนาให้พอรอยากทาวาเรวาหาปุราปุริภูรนติสากรังเอวะเมวะอยโตทินนางเปตานาังอุป ก, กัรปฏิอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปว่เมวะสมิจโตสัพเพภุเรนตุสังปะปะ จันโทปันะระโสยถามณิจติระโสยถาสภีติโยวิวาจันตุสัพพโรโควินัสตุมาเตภวตวันตารโยสุขีทีขายุโกภวะอภิวาทนศีริษะนิจจมุตตาปจายโนจตารูธมรมวัฏานติ อายุวันโสุขังพารางมีปัญหาอะไรวะวันนี้คำถามนะเชิญถามมาครับต่อไปเป็นคำถามจากทางเฟ e บุ๊กพระอาจารย์สุชาติพิชชาโตนะครับคำถามแรกจากคุณพานุวัฒนะครับ ผมอาศัยจากการอ่านหนังสือฟังธรรมจากครูบาอาจารย์เริ่มฝึกปฏิบัติด้วยการมีสติรู้สภาวะที่เกิดขึ้นกับกายและรู้สภาวะที่เกิดขึ้นในจิตใจอย่างสม่ำเสมอต่อเนื่อง mm hmm. เมื่อมีสติแล้วผมเริ่มเห็นกระ บ, บวนการทำงานของจิตใจและเห็นว่าจิตนั้นมีลักษณะที่มีความว่องไวรวดเร็วหากจิตนั้น ถูกกระทบด้วยสิ่งต่างๆกลายเป็นอารมณ์ความรู้สึกเมื่อมีสติรู้อารมณ์ความรู้สึกดังกล่าวแล้วจะทําให้ไม่หลงอยู่ในอารมณ์เห็นสภาวะอารมณ์ที่เกิดขึ้นหนึ่งผมปฏิบัติเช่นนี้ถูกต้องหรือไม่ก็ถ้าปฏิบัติเพื่อไม่ให้เกิดความทุกข์กับสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นก็ถูก ข้อที่สองบางทีจิตมีความเบิกบานแจ่มใสแต่บางทีการมีสติทำให้รู้สึกว่าต้องจ้องเพ่งกับจิตจนรู้สึกเครียดหากผมปฏิบัติเช่นนี้จะต้องปฏิบัติอย่างไรต่อไปก็ต้องเจริญสติให้มากๆเวลาเจริญสติใหม่ๆมันก็มีความเครียดได้ พอจิตเคยชอบทำอะไรตามอิสระชอบคิดเลือเ่อยเปื่อยพอถูกบังคับให้ไม่ให้ไปคิดเรือเ่อยเปื่อยให้อยู่กับเรื่องใดเรื่องหนึ่งก็อาจจะเกิดความเครียดขึ้นมาได้ก็ต้องพยายามทำไปจนกว่าจิตจะยอมแพ้จะยอมต่จะเลิกต่อต้านจะยอมทำตามํำสั่งของสติคือให้อยู่กับ เรื่องเดียวพอกิเลสอ่อนกำลังลงไปความเครียดก็จะน้อยลงไปพอไม่มีกิเลสมาต่อต้านความเครียกก็จะหายไปใจก็จะตั้งมั่นอยู่ในจุดใดจุดหนึ่งได้ให้อยู่กับพุทโธก็จะอยู่กับพุทโธได้ให้อยู่กับการดูแลร่างกายดูเฝ้าดูร่างกายก็จะเฝ้าดูร่างกายได้ให้เฝ้าดูจิตก็จะดูจิตได้ อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับกาลังของสติถ้าสติมีกำลังมากขึ้นมากขึ้นไปตามลำดับกิเลสก็จะอ่อนกำลังลงไปตามลำดับและในที่สุดกิเลสก็จะยอมแพ้ก็จะหยุดต่อต้านตอนนั้นก็จะสามารถควบคุมใจให้อยู่กับอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งได้อย่างง่ายดายให้หยุดอะไรก็หยุดได้แต่ตอนนี้ที่ทำไม่ได้เพราะ สติไม่มีกําลังที่จะสู้กับกิเลสตัณหาได้ได้นั่นเองหรือถ้ากําลังพอกันก็จะเกิดความตึงเครียดขึ้นมาเหมือนเวลาสองฝ่ายชักก็เยอะกันถ้าทั้งสองฝ่ายมีกําลังเท่ากันมันก็จะรู้สึกตึงเครียดด้วยกันทั้งสองฝ่ายพอฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีกําลังอ่อนลงไปอีกฝ่ายหนึ่งก็รู้ว่าสบายแล้วเริ่มฝ่ายต่อต้านเขาเริ่มอ่อนกําลังลงแล้ว หลายเราก็จะมีกำลังมากขึ้นแล้วมากกว่าเขาแล้วความเครียกก็จะน้อยลงไปในตอนต้นนี้มันจะแพ้เขาจะเครียดและจะทนไม่ไหวก็จะไม่ยอมพุโทโธจะไม่ยอมเฝ้าดูการเคลื่อนไหวการกระทาของร่างกายก็จะไหลไปตามความคิดของตันหาความอยากไปใหม่ก็ต้องล้มลุกคลานอย่างนี้ไปก่อน แพ้บ้างชนะบ้างแต่ถ้าพยายามทําไปอย่างต่อเนื่องสติก็จะมีกําลังเพิ่มมากขึ้นไปตามลำดับแล้วต่อไปก็จะสามารถชนะเขาได้ถ้าได้สติมาควบคุมใจแล้วเราก็สามารถที่จะอดึงใจให้ไปคิดไปในทางธรรมะได้ไปคิดในทางสัมมาทิฏฐิได้สัมมาสังกัปโตได้ ก็คือคิดในทางตารักอ น, นิจจังทุกขังอนัตตาถ้าคิดในทางอ น, นิจจังทุกขังอนัตตาได้ก็จะละตั้หาความอยากได้ก็จะปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างได้ก็จะไม่ทุกข์กับทุกสิ่งทุกอย่างทั้งหมดนี้ก็เริ่มต้นที่การมีสตินี่เองดังนั้นเวลาเราเริ่มปฏิบัติเราต้องไม่ท้อแท้เวลาที่เราเกิดความรู้สึก เครดขึ้นมาภายในใจเอึดอัดขึ้นมาภายในใจเวลาให้นั่งสมาธินี้เหมือนอกจะแตกเวลาให้นั่งเล่นไพ่นี่มันไม่อกอกมันไม่แตกเ <c oughs> วลานั่งดูนั่งดูหนังทั้งคืนนี้มันไม่แตกแต่พอมาให้นั่งดูพุทโธพุทโธนี่เดี๋ยวเดียวมันจะแตกให้ได้อึดอัดขึ้นมาเจ็บตรงนั้นปวดตรงนี้ขึ้นมาอันนี้มันเป็นผลที่เกิดจากการต่อสู้ ของปัญหากับสติถ้าเราไม่ไปให้ความสำคัญกับความอึดอัดความรู้สึกตึงตรงนั้นปวดตรงนี้ให้เกาะติดอยู่กับพุโทโธพุโทโธไปเดี๋ยวมันก็หายไปเองข้อความต่อไปจากคุณต้อยนะครับโยงปฏิบัติธรรมโดยถือศีลห้า และทําอนาปานาสติสมาธิมาห้าปีส่วนหนึ่งปีหลังนี้เน้นกายากายาสติคําถามคือโยมมีเป้าหมายนิพานในชาตินี้ต้องปฏิบัติธรรมอย่างไรเน้นแนวทางไหนและต้องเข้มข้นแค่ไหนก็ น, นี่แหละการจเจริญสติจะเป็นอานาปานาสติ หรือกายกตาสติหรือพุทธานุสติก็เป็นจุดเริ่มต้นส่วนศีลนี้ก็ต้องรักษาให้บริบูรณ์ให้สมบูรณ์ศีลห้าแล้วก็เข้าสู่ศีลแปดหรือศีลสอง้อยยี่บเจ็ดหรือศีลสิบก็สุดแท้แต่ว่าจะมีกําลังทําได้มากน้อยเพียงไรทําได้มากก็จะได้ผลมากได้ผลเร็วทําได้น้อยก็ได้ผลช้าได้ผลน้อย เหมือนกับการตักน้ำใส่ตุ่มจะตักวันละกี่ขันวันละขันมันก็จะใช้เวลานานถ้าตักวันละสิบขันมันก็จะใช้เวลาที่ไม่นานถ้าตักทั้งวันทั้งคืนไม่หยุดเลยก็อาจจะเสร็จภายในวันเดียวก็ได้ยิ่งผลมันอยู่ที่เหตุเหตุยก็อยู่ที่การปฏิบัติของเราว่าเป็นสุ ป, ปฏิปันโนอุชุ ป, ปฏิปันโน ยายะปฏิปปโนสามิจิปฏิปปโนหรือไม่สุปฏิปปโนก็คือทำเต็มร้อยทำเต็มที่ ย, ยายะปฏิปปโนก็คือทำเพื่อดับความทุกข์สุปฏิปปโนยายะปฏิปปโนสามิจิก็คือปฏิบัติแบบถูกต้องถูกต้องตามที่พู้เจ้าทรงสอนทุกประการ แล้วกานอะไรนะนึกไม่ออกว่าอุชูปฏิปันโนก็ปฏิบัติตรงไม่คดไปคดมาไม่แวบไปที่นู่นไม่แวบมาที่นี่เอาปฏิบัติอย่างเดียวไม่ไปทาพิธีกรรมไม่ไปสะดะ ก, ก็ไม่ไปทอดกระถินทอดข้าป่าถวายสังฆทานเอาแต่ภาวนาอย่างเดียวมันถึงจะไป ได้รวดเร็วไปถึงจุดหมายปลายทางถ้าแวะไปสร้างโบสถ์สร้างเจดีย์ไปถวายสังฆทานมันก็จะทำให้เสียเวลาได้อันนี้ก็อยู่ที่ผู้ปฏิบัติจะจะปฏิบัติกันการเดินทางก็มีสองลักษณะแบบกระต่ายก็ได้หรือแบบเต่าก็ได้เอาก็ทำไปเรื่อยๆคารไปเรื่อยๆไม่หยุด ตายก็ตายก็ทำตามอารมณ์วันไหนอารมณ์ดีก็ทำวันไหนอารมณ์ไม่ดีก็ไม่ทำอันนี้ผลมันก็จะแตกต่างกันถึงแม้ว่าเวลาทาก็ทำอย่างสุดๆทำอย่างเต็มที่อดข้าวทีสามวันเจ็ดวันถื อ, อถืออะไระไม่หลับไม่นอนอยู่ในถาวิรยาบทแต่พอถึงบทที่ไม่ทำก็ไม่เอาเลย ไปเที่ยวไปเล่นไปอะไรเต็มที่เลยพอเบื่อก็กลับมาทำใหม่ทำใหม่ก็เหมือนกลับมาเริ่มต้นใหม่อย่างนี้มันก็ไปไม่ถึงไหนสู้เต่าไม่ได้มันคานของมันไปมันทำของมันอยู่ทุกวันทุกวันช้าก็ไม่เป็นไรขอให้ได้ทำเดินทีละเก้าดีกว่าไม่เดินเลยดีกว่าเดินร้อยเก้าแล้วก็หยุดไปอีก ร้อยวันแล้วค่อยมาเดินใหม่โซ่เดินมันไปวันละเก้าวันละเก้าไปทุกวันทุกวันเดี๋ยวมันก็ถึงจุดหมายปลายทางเองดงั้นการสมาการปฏิบัติของเราต้องสม่าเสมอต้องต่อเนื่องไม่ขาดตอนมันถึงจะได้ผลดีถ้าทำไม่ต่อเนื่องไม่สม่าเสมอมากบ้างน้อยบ้างขาดบ้างเกินบา้างนี้มันก็จะ ส่วนใหญ่มันจะไม่เกินมันจะเกินเพียงบางครัง้งบางข่าวส่วนใหญ่มันจะขาดส่วนใหญ่มันจะไม่ทำทำบ้างไม่ทำบ้างนี่มันส่วนใหญ่มันจะไม่ทำเกินบ้างขาดบ้างมันก็จะขาดซะบ้างกว่าเกินมันก็จะไปไม่ถึงจุดหมายปลายทางดังนั้นขอให้เราถ้าเราทำอะไรแล้วขอให้เรามีความแน่วแน่ต่อการกระทา อย่าย่ อ, อย่อนอย่าท้อถอยอย่าเลิกอย่าหยุดแล้วรับรองได้มามันจะต้องได้ผลมันจะต้องสาเร็จอย่างแน่นอนดังคำโบราณที่พูดไว้ว่าความพยายามอยู่ที่ไหนความสาเร็จอยู่ที่นั่นความพยายามก็คือความเพียวรววริยะเพียรทำหน้าที่ของตนให้ครบถ้วนบริบูรณ์เดินจงกรมนั่งสมาธิจเจริญสติ ทำใจให้สงบออกจากความสงบ ก, ก็เจริญปัญญาต่อในเบื้องต้นถ้ายัางเจริญปัญญาไม่เป็นออกจากสมาธิมาก็เจริญสติต่อรักษาจิตไม่ให้คิดพุ่งสร้างเพื่อรักษาสมาธิไว้ให้ได้ไว้ก่อนก็ยังดีแต่ถ้าพิจารณาได้ก็พิจารณาไปพิจารณาเป็นพิจารณาอนิจจังเป็นก็มองอะไรก็เห็นว่าเป็นอนิจจังไปเห็นคนปัต้องเห็นว่าแก่เจ็บตายเลย เห็นเด็กเกิดออกมาปั๊เดี๋ยวมันต้องแก่เจ็บตายมองที่ให้มันมองให้ครบสูตรไปเลยมองให้มันครบทุกอย่างว่าทุกอย่างมันจะต้องไปจบตรงไหนไอไมโครโฟนนี่เดี๋ยวมันก็ต้องกลายเป็นขยะไปรางวันหนึ่งมันก็ใช้ไม่ได้ของทุกอย่างมันจะต้องกลายเป็นขยะกลายเป็นซากศพไปไอมองอย่างนี้มันถึงจะไม่หลงจะได้ไม่เกิดตัหาความอยากได้ ถ้าจะเอาก็จําำเราะมีความจําเป็นจะต้องใช้มันเท่านั้นเองแต่ก็ไม่ยึดไม่ติดมันรู้ว่ามันเป็นของชั่วคราวใช้มันไปเท่าที่จะใช้ได้พอมันใช้ไม่ได้ก็โยนทิ้งไปไม่มาทุกข์กับมันนี่คือการเจริญปัญญาถ้าออกจากสมาธิมาแล้วถ้าพิจารณาไม่เป็นก็พุทโธต่อไปเข้าดูร่างกายต่อไป รักษาใจไม่ให้ไปคิดด้วยเปลือ่อไม่ให้ไปคิดฟุง้งซ่านเพื่อที่เวลาจะกลับไปนั่งสมาธิจะได้สงบได้อย่างง่ายได้และรวดเร็วในเบื้องต้นอาจจะทำสมาธิให้มากก่อนจเจริญสติให้มากก่อนแต่ถ้าชำนาญรู้จักวิธีพิจารณาทางปัญญาออกจากสมาธิมาก็พิจารณาทางปัญญาได้เลย อันนี้แล้วแต่จริตของแต่ละคนบางคนนี่คิดไม่เป็นพิจารณาไม่เป็นก็ต้องค่อยๆเรียนไปค่อยๆฝึกไปค่อยๆศึกษาไปก่อนว่าการพิจารณาปัญญาพิจารณาอย่างไรในขณะที่ยังพิจารณาไม่ไม่ชํานาญหรือไม่เก่งก็พยายามรักษาสมาธิด้วยการจเจริญสติอย่างต่อเนื่องหลังจากที่ออกจากสมาธิมาแล้ว อย่าปล่อยให้พอออกจากสมาธิมาก็ปล่อยให้ตัณหาดึงไปคิดถึงเรื่องราบยศสรรเสริญถึงเรื่องการหาความสุขทางตาหูจมูกลิ่นกายอันนี้ก็จะเดินถอยหลังไม่ได้เดินก้าวหน้าถ้าออกมาแล้วพิจารักษางกายให้อยู่กับพุทโธอยู่กับร่างกายก็เป็นการก้าวหน้าในทางสมาธิถ้าออกมาแล้วพิจารณาร่างกายว่าเป็นอนิจัง เกิดแก่เจ็บตายเป็นอนัตตาเป็นดินน้ำลมไฟห้ามเขาไม่ได้ห้ามไม่ให้เขาแตกไม่ได้ห้ามไม่ให้ธาตุสี่แยกออกจากร่างกายนี้ไม่ได้พิจารณาอย่างนี้ก็จะเกิดเป็นปัญญาก็จะบรรลุมรรคผลขึ้นมาตามลําดับต่อไปพิจารณาแล้วก็กลับเข้าไปพักในสมาธิใหม่สลับกันการพิจารณาไประยะหนึ่งมันก็ต้องเหนื่อยต้องเมื่อย มันก็เป็นเหมือนมีดที่ฟันไปบ่อยๆเข้ามันก็จะชื่อก็ต้องหยุดฟันแล้วก็เอามีดไปรับคนฟันก็ไปพักผ่อนหลับนอนไปรับประธานอาหารเราเตือนเช่นมารับมีดเสร็จแล้วก็มาฟันไม้ต่อมีดคมคนฟันมีแรงฟันเดี๋ยวเดียวมันก็ขาดปัญหาก็เหมือนกันโมหะก็เหมือนกันความหลงต้องใช้ปัญญาที่แหลมคม ถึงจะสามารถฟันโมหะความหลงฟันตัณหาความอยากได้ถ้าฟันแล้วมันไม่หลุดมันไม่ตายก็ต้องหยุดพักก่อนไปพักในสมาธิทําใจให้สงบพ อ, อ, อจากสมาธิมาแล้วก็พิจารณาเรื่องใหม่เรื่องเก่านั่นพิจารณาใหม่ทีนี้ก็จะเห็นแล้วว่ามันเป็นอนิจจังเห็นเป็นทุกข์เห็นเป็นอนัตตามันก็ตัดความหลงได้ตัดความอยากได้ นี่คือการแนวทางของการบําเพ็ญเพื่อให้ไปสู่พระนิพพานต้องปฏิบัติอย่างต่อเนื่องในระหว่างสติสมาธิและปัญญาแล้วแต่ว่าจะมีความสามารถไปในทางไหนถ้าเป็นคนที่ชนานาญทางปัญญาก็จะบรรลุเร็วไปได้เร็วคนที่พิจารณาทางปัญญาไม่เป็นก็จะต้องเสียเวลามามา มหัพิจารณามหัดคิดในแนวของปัญญาว่าคิดยังไงถึงเป็นปัญญาคิดยังไงถึงใจเห็นอนิจจังคิดยังไงถึงใจเห็นอนัตตาขึ้นมาถ้าไม่รู้ก็ต้องศึกษาจากผู้รู้ไปฟังเทศฟังธรรมไปเรื่อยๆแล้วก็จะจับประเด็นได้ว่าการเจริญปัญญานี้เจริญอย่างไรการเจริญสติเจริญอย่างไร มีก็คือเรื่องของการปฏิบัติคนที่บรรลุจริงมีความช้าเร็วต่างกันบางคนฟังเทศน์หนเดียวก็บรรลุได้บางคนฟังแล้วฟังอีกอย่างพระอานุน์ฟังต้องยี่สิบกว่าปีก็ไม่บรรลุเพราะไม่ได้นำเอาไปปฏิบัติฟังแล้วก็เก็บไว้ในดินชักได้ปืนได้กระสุนมาก็เก็บไว้ในดินชักไม่เอาออมายิง ฆ้าศึกศัตรูฆ่าศึกศัตรูมันก็ยังอยู่ของมันอยู่ไม่ตายฟังเทศฟังธรรมเอาปัญญาของพระพุทธเจ้ามาแล้วแต่ไม่เอามาใช้เวลาไปเจออะไรก็ไม่ยิงมันไม่ฆ่ามันไม่พิจารณาว่าเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตามันก็เกิดความลากักความหวงความห่วงเกิดความอยากอยากให้อยู่กับเราไปนา น, าน ถ้าไม่มีก็อยากจะได้มันแล้วก็เกิดความทุกข์ตามมาเพราะไม่เอาธรรมะที่ได้ยินได้ฟังมาใช้ฟังแล้วก็เอาเก็บไว้ในดินชักพอไปทำอะไรก็เลืมไปหมดลืมมันนิจังทุกขังอน้าตา เ, เห็นอะไรก็ดีไปหมดเห็นอะไรก็เป็นของเราไปหมดมันก็เลยทุกข์ไปหมด ทุกข์กับเรื่องนั้นทุกข์กับเรื่องนี้อยู่ตลอดเวลามันก็ไปไม่ถึงนิพพานกันถ้าอยากจะไปถึงนิพพานก็ต้องมองทุกอย่างว่าเป็นอนิจจังทุกขังอนะัตตาทุกเวลานาทีมองร่างกายว่าเป็นอสุภะอสุภังมองว่าร่างกายเป็นดินน้ำลมฝ่มองว่าจิตนี้เป็นตัวรู้เท่านั้นไม่ใช่ตัวตนนี่คือการมองด้วยปัญญา ทำรองด้วยปัญญาแล้วก็จะทำลายความหลงได้ทำลายความหลงทำลายความอยากได้ไม่มีความหลงไม่มีความอยากก็จะไม่มีความทุกข์ก็จะมีแต่ความสงบมีแต่ความสุขเรียกว่าปรมังสุขขังนั้นเองมีข้อต่อไปหรือเปล่าพระอาจารย์ครับ เพราะอะไรคือความแตกต่างระหว่างการฟังธรรมในสมัยพุทธกาลที่ผู้ฟังธรรมกับพระพุทธเจ้าเนี่ยสามารถบรรลุได้ภายในครั้งเดียวที่ต่างกับสมัยนี้ครับที่ฟังเท่าไหร่ก็ไม่บรรลุครับอาจารย์ก็มีสองส่วนส่วนหนึ่งก็อยู่ที่ผู้แสดงเองว่าแสดงธรรมที่ถูกต้องหรือเปล่าธรรมนี้ที่จะถูกต้องนั้นต้องธรรมที่เกิดจากการรู้เห็นด้วยการปฏิบัติ ทำที่รู้เห็นจากการอ่านหนังสือนี้ยังไม่ได้เป็นธรรมที่แท้จริงเหมือนกับคนที่อ่านหนังสือเกี่ยวกับประเทศสหรัฐแต่ตัวเองไม่เคยไปแล้วก็มาสอนคนเกี่ยวกับประเทศสหรัฐกับคนที่ไปประเทศสหรัฐมาแล้วมาสอนนี่มันคนละเรื่องเลยคนที่เห็นพระนิพพานแล้วกับคนที่อ่านเกี่ยวกับพระนิพพานนี่นมันคนละเรื่องกันอันนี้เนี่ยเหตุหนึ่งที่ทําให้ไม่บรรลุกัน กเพราะว่าคนสอนมันสอนไม่ตรงกับความเป็นจริงคนฟังก็เลยไม่เข้าใจอีกส่วนนี้ก็อยู่ที่อความสามารถของคนฟังว่ามีอินทรีย์รับธรรมะของของผู้สอนได้มั้ยเปล่ามีศีลมีสมาธิหีืเปล่าถ้ายังไม่มีศีลไม่มีสมาธิฟังไปก็ไม่เกิดปัญญา แล้วก็ถึงแม้จะมีศีลมีสมาธิถ้าไม่ฉลาดพิจารณาตามสิ่งที่ได้ยินได้ฟังมาไม่ไม่ได้ก็อย่างมานู้ไม่ได้เช่นเวลาที่พระเจ้าทรงแสดงพระธรรมเทศนาครั้งแรกโปรดพระปัญจวัคคีย์ก็มีอยู่ห้ารูปด้วยกันท่านเหล่านี้ก็มีศีลมีสมาธิอยู่ในระดับเดียวกันแต่มีเพียงองค์เดียวที่ มีดวงตาเห็นธรรมเข้าใจคำพูดของพระพุทธเจ้าว่าสิ่งใดมีการเกิดสิ่งนั้นย่อมมีการดับไปเป็นธรรมดาถ้าไปยึดไปติดก็จะเกิดความทุกข์ขึ้นมาถ้าไปอยากให้เขาไม่เสื่อมก็จะเกิดความทุกข์ขึ้นมาเห็นเป็นอะัห้ามเขาไม่ได้นี่ปัญญโกนัญญาเห็นแล้วหนอเห็นแล้วหนอแต่อีกสี่รูปยังไม่เห็นหนอยังไม่เห็นหนอะ อันนี้ถึงแม้จะมีศีลมีสมาธิพร้อมกันแต่ปัญญาความฉลาดนี้ก็ไม่เท่ากันเหมือนกับเรามีเด็กเรียนในโรงเรียนห้องเดียวกันเวลาสอบทำไมได้คะแนนไม่เท่ากันอันนั้ก็อยู่ที่ความรู้ความสามารถของเด็กแต่ละคนที่มีไม่เท่าเทียมกันเวลาฟังเทศฟังเวลาฟังคำสอนของครูของอาจารย์นี้รับมาได้ไม่เท่ากัน พอสติใจไม่จดจอ่อหรือไม่พิจารณาตามพิจารณาตามไม่ทันไม่เข้าใจต่างกันมันก็เลยทําให้เวลาทําข้อสอบทําได้แตกต่างกันไปสมัยปัจจุบนันนี้คนมีสมาธินี่หาน้อยหายากแม้แม้จะเป็นนักบวชนี่ก็ไม่มีสมาธิกันน้อยมาก ผู้ที่มาบวชแล้วที่จะมีความเข้มข้นต่อการเจริญสมาธินี่หายากแล้วผู้ที่แสดงธรรมที่ได้มาจากประสบประการนี่ก็หายากเนื่องการฟังธรรมจึงไม่ค่อยปรากฏเป็นผลกันขึ้นมาด้วยประการรัชานีคนฟังนั่งแล้วก็หลับ <c oughs> การพูดสมมติจะวิมุตต์นะคะอยากทราบว่าพิจารณาอย่างไรก็ทุกอย่างที่แผนอยู่เป็นอยู่มันเป็นสมมุติทานานั้งนั้นจะพิจารณาอย่งไรอะไรที่มันดับมันมันเป็นสมมติทั้งนั้นอ่ะอะไรที่มันไม่เที่ยงแท้แน่นอนมันเป็นสมมุติทั้งนั้นแต่สิ่งที่เที่ยงแท้แน่นอนอ่ะมันมีตัวเดียวก็คือตัวจิตนี่นอกนั้นมันเป็นสมมุติหมดง่ายจะตายไป เห็นอะไรก็เป็นสมมุติหมดในสิ่งที่มันอยู่มันไม่สลายนั่นะมันไม่ใช่สมมุติเช่นดินน้มลมไฟนี้มันไม่สมมันไม่ใช่สมมุติมันเป็นของแท้ของจริงธาตุรู้คือใจก็เป็นของแท้ของจริงมันไม่สูญไม่สลายไปไหนแต่สิ่งอื่นๆนี่มันสูญสลายไปหมดสูนที่เกิดจากดินน้มลมไฟมันก็สลายกลับคืนสู่ดินน้ำลมไฟทม มันเป็นสมมุติมารวมกันก็เป็นพ่อเป็นแม่เป็นพี่เป็นน้องเป็นลูกเป็นหลานไปแล้วเดี๋ยวมันแตกสลายไปมันก็กลับกลายเป็นดินน้ำลมไฟยไปเนืดินน้ำลมไอเป็นของแท้ของจริงธาตุรู้คือใจก็เป็นตัวแท้ของแท้ของจริงนอกนั้นเป็นสมมุติว่าตัวตนเราเขาเป็นสูงเป็นต่ำเป็นนายกเป็นรัฐมนตรีเป็นขอทานนี่มันก็เป็นสมมุติทั้งนั้น ว่ามันชั่วคราวเดี๋ยวมันก็หมดไปเป็นเหมือนตัวแล้วตัวละครยันทุกอย่างมันเป็นสมมติยกเว้นธาตุทั้งหกธาตุสีดินน้บลมไปธาตุรู้คือใจและธาตุธาตุอากาศคือความว่างของพวกนี้มันมีอยู่ตลอดเวลามันไม่สูญหายไปไหนรู้นี่รู้รู้ยังไงที่จะไม่เป็นี้นก็รู้โดยปัญญาว่าทุกอย่างเป็นนิ เป็นสมมุติน้เอต้องจะสักแต่ว่ารู้ก็ต้องรู้ว่าตุกอย่างมันเป็นสมมุติอะอันไหนมันไม่เที่ยงอันนั้นมันก็เป็นสมมุติรู้ว่ามันเป็นดินน้ําลมไฟมันไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลร่างกายนี้ที่เราเรียกว่าบุคคลเป็นมนุษย์เป็นหญิงเป็นชายนี่มันสมมุติตั้งนั้นความจริงมันเป็นเพียงดินน้ำลมไฟ เหมือนทำขนมนี่มันมาจากอะไรขนมมาจากน้ำตาลจากนมจากแป้งเราก็ไปเรียกขนมเค้กขนมฟูขนมไข่ขนมอะไรรูปร่างลักษณะต่างกันประเดี๋ยวมันก็กลับก็ไอเป็นดินเลยหมดกลายเป็นน้ำแยกกันไปหมดเราต้องเข้าไปสู่จุดเดิมของมันจุดเดิมของสิ่งต่างๆทั้งหลายก็คือดินน้ำนมไฟ ถ้ร่างกายก็มีาธาตุรู้อีกกันมีาธาตุอากาศาธาตุอีกันช่องว่างระหว่างสิ่งต่างๆนี่ก็เรียกว่าอากาศาธาตุเนี่ยช่องว่างที่อยู่รอบตัวเรานี่ก็เรียกว่าอากาศาธาตุตัวรู้ก็คือาธาตุรู้จิต ก, ก็คือาธาตุรู้ร่างกายก็คือาธาตุสีในน้ำลมไฟก็มีอยู่แค่นี้แต่มองเป็นสัตว์เป็นบุคคลติดอยู่กับสมมุติ ไม่ได้มองว่าเป็นดินน้ำลมไฟเป็มถ้านรู้มิหมายถึนตัวจิตนี่หมือนหลงไปหลอยู่ใช่มมันไม่รู้ความจริงมันไม่รู้ท่านว่ามันเป็นท่านรู้ท่านั้นเองอ ม, มันไปคิดว่ามันเป็นตัวเป็นตนเป็นตัวเราของเราแล้ว ม, มีอะไรได้มาก็เป็นของเราไปหมดมไม่มองว่ามันเป็นของเรานานสักเท่าไหร่ กปะเดี๋ยวเดียวเดี๋ยวก็ตายจากกันไปแล้วมองเห็นเป็นดินน้ำวมไฟเนี่ยแสดงว่าการที่เราเห็นมนุษย์หรือคนอื่นๆเนี่ยเราเห็นแต่เฉพาะดวงจิตของเขาใช่ไหมครับอาจารยเห็นร่างของเขาเห็นร่างกายของเาว่ามาทามาจากดินน้านมไฟเหมือนรถเนี่ยมันทามาจากอะไรรถยนต์เนี่ยเล็กพลาสติกแก้ว อะไรต่างๆวันนี้นร่างกายมันทำมาจากอะไรประกอบขึ้นด้วยอะไรอาหารอาหารน้าลมที่หายใจเข้าไปน้ำที่ดื่มเข้าไปอาหารก็คือข้าวผักมาจากไหนก็มีดินหัหยปลูกข้าวต้องมีดินหรือเปล่าผักมันมาจากไหนข้าวมาจากไหนมาจากน้ำจากดินผสมกันจากลม จากไฟจากความร้อนผสมกันทำให้ออกผักออกรวงข้าวมายินก็ไปในร่างกายมันก็มากลายเป็นผมขนิลนฟันพอร่างกายตายไปมันก็แยกกันไปน้าก็ไหลออกมาลมก็ไหลออกมาไฟก็ไหลออกมาเหลือแต่ดินดินก็แห้งกรอบมองแค่นี้มองไม่เห็นอรรี่สำคัญละกันที่เราพิจารณาว่า สมุดแม่นะคะมันเป็นอนุญาตของพระแม่ปานเพื่อให้เราแบบว่าตัวรู้ในตัวผมแบบเขามีความรู้เกิดขึ้นใจจะได้ไม่ทุกข์กับมันไงจะรู้ว่าเอามาแล้วจะต้องทุกข์เพราะมันจะต้องจากเราไปไม่ใช่ปล่อยวางไม่อยากได้มีก็ปล่อยวางถ้าไม่มีก็ไม่อยากได้ก็ต้องต้องจากเราไปในที่สุด เราต้องจากเขาไปในที่สุดเวลาจากกันถ้าไม่ปล่อยก็จะทุกข์เวลาอยู่ก็ทุกข์ห่วงกันกังวลกันแต่รู้ว่าเขาเป็นเพียงดินน้ำลมไฟเป็นเพียงธาตุรู้ก็ไม่ต้องไปห่วงดินน้ำลมไฟก็กลับคืนสู่ดินน้ำลมไฟธาตุรู้ก็ไม่ได้ตายไปกับร่างกายธาตุรู้มันก็ไปตามภาษาของมันต่อถ้ามันโง่มันก็ไปหาธาตุสี่ก้อนใหม่มาแบบ ถ้ามันฉลาดมันก็ไม่ไปหากระถางนั้นเองก็ต้องสอนให้มันฉลาดเท่านั้นไม่หน้าที่ไม่ต้องไปหาเงินให้มันไม่ต้องไปหาสามีหาภรรยาให้มันหรอกเขาพวกนี้มันเป็นพิษเป็นภัยกับใจสิ่งที่เป็นคุณเป็นประโยชน์กับใจก็คือความรู้ของพระพุทธเจ้านี่ทเท่านั้เนเองพระอาจารย์ถึงบอกว่าการให้อะไรต้องให้ธรรมะชนะการให้ทั้งปวกให้ความรู้ความฉลาด เพื่อมันจะได้หายหลงเพื่อมันจะได้ไม่ไปแบกกองทุกข์กันเพกครั้นี้กองความหลงมันหลอกให้ไปแบกกองทุกข์กันกองทุกข์ก็คืออนิจจังอะไรที่มันเป็นอนิจจังมันเป็นทุกข์เข้ดใจไหมเพราะมันไม่เที่ยงเวลามันดับไปทุกข์ก็เปล่าเวลามันเสื่อมไปทุกข์ก็เปล่าถ้าเห็นว่ามันจะเสื่อมจะไปเอามาทำไมจะไปแบกมันทำไมเท่านั้นแหละปัญญา ร, รู้แล้ววางหรือไม่ต้องเข้าไปยุ่งกับมันเลยครับอาจารย์มันต้องรู้ด้วยปัญญาถ้ามันจะวางจริงจมันจะวางมันจะไม่ไปยุ่งถึงแม้จะยุ่งมันก็ยุ่งแบบคนฉลาดยุ่งเหมือนคนที่จับงูนี่เขาฉลาดเขาไม่รู้วิจักวิธีจับงูงูไม่กัดเขาเหรอกแต่คนที่จับงูไม่เป็นเด็กก็โดนงูกัดคนที่ฉลาดเมื่อยังมีความจาเป็นที่จะต้อง เกีしし่ยวข้องกับเรื่องนั้นเรื่องนี้ขเขาก็เกี่ยวข้องได้แต่เขาไม่ถู ก, นกันกัดเขาไม่ทุกข์กับมันพระอาจารย์ครับเมืม่อวานที่พระอาจารย์ได้อธิบายเกี่ยวกับเรื่องของการเสียสละครับพระอาจารย์ที่ทำได้ยากยิ่งคือการเสียสละอวัยวะและชีวิตและในยุคสมัยปัจจุบันเนี่ยจะทำได้อย่างไรครับพระอาจารย์ในการเสียสละอายอวัยวะกับชีวิตครับพระอาจารย์ ก็ต้องปฏิบัติทำให้มากมากขึ้นถ้ามีคุณธรรมสูงขึ้นเห็นผลที่เกิดจากการปฏิบัติมากขึ้นมันก็จะมีพลังที่จะสละเองเพราะมันรู้ว่าจะต้องแรกกันระหว่างทำกับชีวิตพระโสดาบันเนี่ยก็ต้องเลิกเอาทำสละชีวิตยอมตายถึงจะได้โสดาบันขึ้นมาถ้ายัางไม่ยอมตายก็ยังไม่ได้ แล้วก็ไม่ยอมตายก็จะทุกข์จะเห็นความทุกข์ที่ต้องปล่อยก็เพราะที่ต้องยอมตายเพราะไม่อยากจะทุกข์กันนะพอปล่อยแล้วมันจะไม่ทุกข์ใจใจมันจะสบายเวลากลัตายนี่ถ้ายอมตายปั๊บมันจะหายกลัวมันต้องเห็นความทุกข์ที่เกิดจากการไปยึดไปติดกับชีวิตพอเห็นว่าปล่อยแล้วมันสบายมันก็ปล่อยการที่เราจะเข้าไปสู่ จุดนั้นได้เราต้องเจริญสติให้มากๆให้มีสติมีสมาธิก่อนแล้วก็พิจารณาอ น, นิจจังอยู่บ่อยๆก่อนจนเราเห็นว่ามันอะไรเป็นปัญหาแล้วเราก็ถึงจะรู้ว่าอ๋อที่เป็นปัญหาที่ทําให้เราเกิดความทุกข์ก็เพราะความรักชีวิตนี่ความหวงชีวิตรักยังไงหวงยังไงมันก็ตายอยู่ดีที่เราทํานี้ไม่ได้ทําเพื่อทําลายชีวิตเราทําเพื่อทําลายความรักความหวงชีวิตต่างหาก ใหญ่เลยการสละชีวิตที่ไม่ได้หมายความว่าให้สละให้ไปฆ่าตัวตายอนี้ไม่ใช่แต่ให้สละความรักความหวงในชีวิตอย่าไปรักเอย่าไปหวงมันเพราะมันจะทําให้เกิดความทุกข์ขึ้นมาถ้าเราปฏิบัติเพื่อต้องการจะดับความทุกข์เราก็ต้องละความรักความหวงของชีวิตไปเราก็ เราว่าไปอ๋อสลัดชีวิตเหมือนที่พระพุทธเจ้าสละชีวิตที่จะไม่รู้จักต้นโพจะไม่บรรลุใช่ไหมครับานั่นแหละก็สละดแล้วนั่นไม่ใช่ไปฆ่าตัวตายไม่ให้ไปกระโดดตึกตายไม่ให้ไปเข้าสงครามไปต่อสู้กับคนนั้นคนนี้พลีชีพอย่างนี้ไม่ใช่อแบบคนสมัยนี้เขาเป็นติดระเบิดไว้ในตัวแล้วก็ไปนี่ไปพลีชีพอย่างนี้ถ้าอย่างงั้นมันมันไม่ได้ทําแบบเออมันทําผิดที่ ให้ฆ่าตัวที่รักตัวครัวตายรักชีวิตให้ทำลายตัวที่รักชีวิตชีวิตไม่ต้องไปทำลายมันถึงเวลามันไปแน่ๆไม่ว่าจะเป็นของไข่แต่ว่าเวลามันไปนี่จะไปแบบสงบหรือไปแบบทุกข์ถ้าไม่รักไม่เสียดายมันมันก็จะไม่ทุกข์ สังเกตเวลาเราให้ของที่เราไม่รักไปนี่เรารู้สึกใจสบายไหมให้ของที่รักไปนี่เป็นไงโอ้โหใจจะขาดให้ได้ออืของทุกอย่างเราก็ต้องเสียให้มันเสียยังไงเสียแบบสบายหรือเสียแบบทุกเสียแบบสบายก็ต้องอย่าไปรักมันอย่าไปหวงมันถ้าอย่างนี้ จะไม่รักไม่ห่วงก็ต้องเห็นว่าความรักความห่วงนี้เป็นต้นเหตุของความทุกข์ใจถ้านั้นเองให้เห็นตรงนี้เห็นอริยาศาสตร์เห็นความทุกข์ใจที่เกิดจากความรักความห่วงในสิ่งต่างๆพอไม่รักไม่ห่วงแล้วไม่ไม่ทุกขนะ์คนที่เราเกลียดนี่มันตายแล้วล้อห่มล้อข้างใช่ไหม <laughs> นั่นหาเกลียดซะเกลียดทุกๆคน เวลาเขาตายเราจะได้ไม่ทุกข์นะฮ <c oughs> ถ้าถ้าสละชีวิตเป็นอย่างนั้นแล้วอ ว, วัยวะเขาป้าจันเป็นลักษณะไหนก็เ <c oughs> หมือนก <c oughs> ันเพื่อรักษาชีวิตยังไงถ้าเป็ น, นอ่าถ้าเป็นอ่าแผลแล้วมันถ้าไม่ตัดแขงออกไปนี่มันจะเน่าลามไปทั้งร่างกายอย่างเงี้ยคุณก็ต้องตัดมันใช่ไหมคุณจะยอมปล่อยให้มันลามไปทั้งร่างกายแล้วตายไปทั้งร่างกายเปลาสละแบบนั้น ก็เดินจงกรมเมื่อยก็เดินต่อไปอย่าเพิ่งหยุดเท้ามันจะแตกก็ปล่อยมันแตกไปนั่งสมาธิเอ็นมันจะขาดก็ให้มันรู้ไปนั่งไปไม่ตายก็แล้วกันแต่จะได้ธรรมะก็คือจะผ่านทุกเวทนาได้จะไม่กลัวความทุกเวทนาต่อไปนั่งนี่เพื่อทําลายความกลัวความทุกข์ไม่ใช่ไปทําลายทุกเวทนาทุกเวทนาทําลายมันไม่ได้มันเป็นอนัตตา แต่เราต้องการทำลายความกลัวทุกขเวทนาก็คือไม่กลัวกูไม่กลัวมึงกูจะนั่งไปกับมึงอย่างนี้เพราะนั้นแหะถ้าไม่กลัวมันแล้วต่อไปมันก็จะไม่ทุกข์ที่มันทุกข์เพราะมันกลัวแไม่หมอบอกจะฉีดยายังไม่ทันฉีดมันกลัวไปก่อนแล้วมันทุกข์ไปก่อนแะ้ถ้าบอกกูไม่กลัวหมอแล้วเข็มฉีดยามันจะไปเจ็บตรงไหนแค่เจ็บเดียวเท้เนี้นไงฉีดมาเลยเพรนั้นมันก็มันก็ไม่ทุกข์อ่ะ ที่แห้ปฏิบัตเิเพื่อให้สละความรักตัวปวดตายสละความรักในอวัยวะสละความรักในทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองอย่าไปรักอย่าไปหวงมันถึงเวลามันต้องจากกันอยู่ดียังนั้นเรามาฝุดจากกันแบบมีความสุขดีกว่าอย่างวันนี้เราเอาเงินมาแจกกันเนี่ยเอามาแบ่งกันเนี่ยให้แล้วเรามีความทุกข์ไหมเราไม่ทุกข์ใช่ไหมเพราะเรายินดีที่จะจากกันไปเราไม่รัก ส่วนนีล้ละเรายินดีที่จะให้คนอื่นไปเราก็ไม่ทุกข์เราก็มีความสุขเราก็ต้งหัดให้ให้หมดเลยต่อไปเวลาตายเราจะได้ตายอย่างสงบตายอย่างสบายไม่ต้องมาเสียดายทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองเงี้ยเดี๋ยวจะกลับมาเกิดเป็นหมาในบ้านเนี่ย <Okay. S 1> <laughs> อย่างเศรษฐีในพระไตวปิดกไง มีทรัพย์เท่าไหร่ก็ไม่ยอมให้ใครหวงลูกก็ไม่บอกว่าเอาไปซ่อนไว้ที่ไหนเอาไปฝังไว้ที่ไหนเวลาตายความรักความหวงทรัพย์ก็กลับมาเกิดเป็นหมาในบ้านของตนพระพุทธเจ้าเสด็จผ่านมาเห็นหมาตัวนี้ก็เห็นว่าเป็นเจ้าของบ้านที่ตายไปก็เลยบอกลูกว่าให้หมาตัวนี้เป็นพ่อของพวกเจ้านะเลี้ยงมันไว้ให้ดีเดี๋ยวมันจะพาไปกุดสมบัติที่พ่อมพวกเจ้าฝังเอาไว้ให้ แล้วมันก็ไปจริงๆอ่ะเพราะมันจําได้เนี่ยมันฝังไว้ที่ไหนมันจําได้เพราะมันตายไปเดี๋ยวเดียวแล้กลับมาตายเพิ่มก็กลับมาเข้าในร่างของหมาเลยเหมือนพระที่รักจีวรพอตายไปปั๊บก็กลับมาเข้าเป็นตัวเลนเป็นตัวแมลงมาเกาะจีวรของตอนความรักความโหยมันจะทําให้เราถึงแม้ทําบุญขนาดไหนบางทีก็ยังต้องกลับมาเป็นจัดเป็นอะไรไปก่อน เพราะความรักของที่เราหวงแหนอยู่งั้นอยากไปรักอย่าไปหวงแหนนั่นแหละบางทีทําบุญแทบเป็นแทบตายแล้วก็ไม่ได้ไปไปไปเกิดในสวรรค์เพราะยังมาหวงมาห่วงของที่เราทําไว้อย่างหลวงปู่มั่นท่านก็นั่งสมาธิไปท่านไปทุ่งดงที่ไหนไม่ทราบแล้วไปนั่งสมาธิ อยู่ใกล้เจดีย์บ้างแล้วก็มีเห็นดวงวิญญาณของพี่น้องสองคนวนเวียนอยู่ท่านก็ถามมาทำอะไรเขาบอกตอนที่เขามีชีวิตอยู่เขาเป็นผู้ที่ร่วมบริจาคสร้างเจดีย์อันนี้ก็มีความปรารถนามีความผูกพันกับเจดีย์องค์นี้อยากจะให้สำเร็จแต่ละที่ตายมันยังไม่สำเร็จดวงวิญญาณก็เลยยังไปรับผลบุญไม่ได้เพราะยังคิดถึงเจดีย์องค์นี้อยู่ ก็เลยมาวนเวียนรอดูเฝ้าดูเจดีย์ว่าเมื่อไหร่จะเสร็จสักทีถ้าทำอะไรแล้วอยากไปผูกพันทําแล้วก็จบเราทําหน้าที่ของเราไปแล้วมันจะเสร็จไม่เสร็จมันก็เป็นเรื่องของมันถ้าเรายังมีปัญญาที่จะทําต่อก็ทําไปแต่เมื่อถึงเวลาที่เราไปเราจะได้รับไปรับผลบุญจากการที่เราได้ทําบุญถวายสร้างเจดีแต่ถ้าเรายังห่วงเรื่องเจดีอยู่มันก็จะกลับมา ่ะมาเฝ้ารอดูเจดีว่าเมื่อไหร่จะเสร็จสักทีก็ต้องรอจนกว่าเจดีจะเสร็จถึงจะได้ไปรับผลบุญที่ได้ทําไว้คุณค้าแล้อย่างที่คนนี้จะเกิดในสนทรภพเขาไม่ได้ทาผิดศีลอะไรเขาแค่หัวงงก็ก็เป็นสุนทรภพนี่ในกรณีนี้ก็ขา้าคของจะเป็นทํำบาปด้วยเพียงแต่ไม่ได้พูดถึง คือไม่ทําบุญคนไม่ทําบุญส่วนใหญ่ก็จะชอบทําบาป ก, กันคนที่หวงทรัพย์นี่ส่วนใหญ่ก็จะไม่ไม่ทําบุญแล้วก็จะทําบาปง่ายพอถึงจะได้ทรัพย์เยอะๆไงลูกอยากฟะองค์ที่ในสม่อพี่พ่อเจ้าอะไรนท่านก็อาจจะทําผิดศีลบ้างอาจจะไปตบยุงตีมดบ้างฆ่ามดบ้างหรือก่อนหน้านั้นท่านอาจจะทําบาปไว้ก่อนก็ได้ก่อนมาบวชก็ได้ ท่านคะถ้าเป็แม่เราก็จะตายเราไม่ขวร้องไห้ใช่ไหมลองละลองละท่านทาให้ท่านไม่ตายหรือเปล่าไม่ใช่าตินอนเนียไม่ต้องไปร้องไห้หัวใจขอนอนศีรษะมาไปร้องแ้มันทำให้ท่านไม่ตายหรือเปล่าครับเข้าใจแล้วก็คับก็ได้คำตอบแล้วที่ม่ตายตรงไหนกัน แต่ตอนเนี้ค no ุณแม่จะห่วงลูกห่วงจะแนะนําท่านยังไงเป็ห้ามท่านไม่ได้นะท่านก็เป็นนัตตาแต่ห่วงคนณลูกห่วงมันมีคุณเรียนอู่มากอะก็เรื่องของท่านไงไม่ใช่เรื่องของเราตัวใครตัวมันอัตตาหิอัตโนนาโถเรื่องจิตใจนี่ ไปทำอะไรกันแทนกันไม่ได้สอนกันไม่ได้สอนได้จะฟังหรือไม่ฟังอี ก, อ ก, อ ก, อกเรื่องหนึ่งยีกเป็นลูกไปสอนแม่พ่อแม่ไม่ได้ <c oughs> ก็ต้องฟง <c oughs> เป็นเรื่องของกรรมของศัสต ร, ร์ไปพอหรือยังค่ะวันนี้เนี่ย ดูไปเททองหล่อพระเขาประกาศว่าวนไหนได้รอพระองค์ปฐมแต่ใช้มีสงไปทุกพทุกทุกชาจริงหรือเปล่าลูคะก็ไปถามเขาดูสิเราไม่ได้เราอยากรู้ว่าก็เขาประกาศว่าอย่างนี้ดูแล้วมันมันจริงอยากทราว่าเขาประกาศว่าวันไหนจะเททองหล่อพระองค์ปฐมนะ จะใช้นี่โสมทุกคบทุกชาติเลยเพราะว่านี่ไม่ติดตัวไปเพราะว่านุก็อยากทราบอยากให้ลุกพ่อแถลงแก้ให้ฟังหน่อยทุกคนก็อยากจะฟังนั้นนั่งญาติทันอยู่เนี่ยพวกนี้เราไม่ค่อยได้สนใจได้ศึกษาเท่าไหร่เพราะไม่ใช่เป็นเรื่องสำคัญอะไรขอให้เราเชื่อหลัก อการกลางก็แล้กันว่าทำบุญก็จะได้บุญทำบาปก็ได้บาปส่วนจะะจใช้นี่สงไม่ใช้นี่มันอยู่ที่เราไปมีนี่กับสงหรือเปล่าถ้าเราไม่มีนี่เราต้องไปใช้นี่สงหาเลยใช่ไหมอืมยังเวลาท่านผู้อะไรก็บางทีก็แบบโฆษณาชวนเชื่อโฆษณาเพื่อให้ญาติโยมได้มีกำลังจิตกำลังใจที่จะทำบุญ แต่เราอย่าไปถือคำพูดของท่านเป็นหลักถ้ามันฟังแล้วมันไม่มีเหตุไม่มีผลขอให้ฟังแบบกลางๆที่พระเจ้าสอนว่าทำบุญก็ได้บุญทำบาปก็ได้บาปเอาท่านนี้ก็พอเจตนาของผู้พูดหรือพระอาจารย์ถ้าเจตนาดีเป็นกุศโลบายเนี่ยก็ก็อันีนะครับแต่ถ้าเจตนาเพื่อหวังลาบลาบสการะก็ถือว่าไม่ดีก็เป็นเปรตไปก็เป็นเปรตไป ทำบาปเพราะความโลภ ก, ก็จะเป็นเปรตเอาแล้วนะคิดว่าพอสมควรแต่เวลาก็อขอให้ได้เอานำสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังได้ปฏิบัติในวันนี้ไปปฏิบัติต่อเพื่อความสุขความจเจริญในธรรมยิ่งขึ้นไปเทอด